ขอความสุขความเจริญยังมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอกันทารกสูตรมาโดยลำดับมาถึงช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงขยายคุณลักษณะของบุคคลที่ดำรงตนโดยไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อน ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่ น, นเดือดร้อนและไม่ควรขวายที่จะกระทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องก็มาถึงเรื่องของศีลคือปฏิบัติในศีลก็ทรงเรียงศีลมาโดยลำดับในความมาจากหยาบมาหาละเอียดแต่ว่าเมื่อมองถึงสิ่งที่งดเว้นไม่ร่วงละเมิด มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศแล้วก็เกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆคือสรุปแล้วก็อยู่เป็นการขยายศีลสามข้อแรกออกไปโดยละเอียดเช่นเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงอั น, นี้ก็ศีลข้อที่สอง หเว้นขาดจากการช่โกงหรือตาช่างการโกงหรือของปลอมและการโกงหรือเครื่องตวงวัดไอ้นี่ือศีลข้อที่2เป็นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจําการจองจำเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นศีลข้อที่หนึ่งการตีชิงการปล้นและการการโชคไอ้นี่ก็ผิดศีลข้อที่2องถาเราเห็นว่าศีลสามข้อแรกเนี่ยมันครอบจักรวาลอยู่เลย หมายความพฤติกรรมในทางลบของมนุษย์จะทําในส่วนใดของโลกกระทำมนันจะออกมาในการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์แล้วก็ล่วงละเมิดในทางเพศแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆนั้นมนเป็นการขยายขยายวิธีการในการหลอกลวงอาจจะพูดเท็จอาจจะส่อเสียดอาจจะคําหยาบอาจจะเพอ้อเจอ้อ อาจจะตลบตะแหลงอาจจะเล่ไมายาอะไรต่างๆก็ตามหรือทั้งหมดแล้วก็มันเป็นเรื่องของกิเลสที่ปรุงจิตให้คิดแล้วก็ให้ทําให้พูดออกไปแต่พอจริงแล้วก็ไปกระทบชีวิตกระทบทรัพย์กระทบคู่ครองก็ที่จริงก็ชีวิตกระทรัพย์ได้ซ้าไปนะคร แต่นั้นก็ทรงแสดงคุณธรรมในลักษณะของสีนข้อที่สองนั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นการสันโดษคือสันโดษเป็นเรื่องของสมาชีพเป็นสมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแต่มันประนีตขึ้นคือแตนที่จะเป็นสีลก็เป็นธรรมะเพราะว่าสมาชีวะนั้นเป็นธรรมะนะครับแต่ว่า มันอยู่ในกลุ่มของสีและสิขาก็แสดงว่าเป็นระดับของศิลธรรมจัญญาเป็นเน้นทังสันโดษในการแสวงหาการได้มาและการไปพคใช้สอยปัจจัยทั้งสี่ประการเพราะว่าเป็นการพูดตัวยื่นที่สุขแต่ท่ทานต้องเข้าใจนะว่าสันโดษมันครอบคลุมสับไปชีวิตเอาไว้ เมอความเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยคุณธรรมนั้นจะต้องสันโดษทาให้สันโดษแล้วก็จะมีการทุจริตทั้งช่วงของการสแสวงหาและก็ช่วงของการได้มาแต่นี้ในช่วงการสแสวงหานั้นก็ให้สแสวงหาเต็มตามกำลังความรู้ความคิดความสามารถกำลับบงทุนกำลับบงคนแต่ก็มีกรอบอยู่ที่ ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมในการได้มาแล้วก็ครอบครองเนี่ยก็เป็นการได้มาในทางที่สุจริตการบริโภคใช้สอยเป็นเรื่องของจิตสํานึกที่จะควบคุมความโลภของตัวเองเอาไว้ไม่ให้บริโภคใช้สอยจนเกินสถานะเกินความจําเป็นที่เรีย ก, กว่าหรูหราฟุ่งเฟือยต่างๆ แต่ในที่นี้ก็ท่งเน้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่ามีเครื่องนุ่งห่มเป็นบริหารกายมีอาหารเป็นเครื่องบริหารท้องเหมือนกับนกที่มีปีกสองปีกก็เหินบินไปในที่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเอาไว้ที่ท่านเล่าถึงนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกไมฮั ก, กะไมฮั ก, กะนั้นเราอาจจะแปลว่านกเขา เพราะในไมหกักเปว่าของฉันคือแกจับต้นไม้อะไรแล้วแกก็จะร้องว่าของฉันของฉันไม้หังไม้หังไม้หังเปี๋ยวของฉันของฉันแต่แกก็บินไปเรื่อยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราก็พูดเราเองแต่าจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชีวิตเรายังไม่เป็นของเราเลยคือนับอะไรเ่าสิ่งตั้งหลายที่นอกต้องชีวิตเนี่ยมันจะเป็นของเราไปได้ ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่มีมันเป็นองค์ประกอบร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งกล่าวจากนั้นก็ทรงแสดงกองแห่งศีลที่ประณีตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็หมายความว่าที่จริงก็คือหลักการสรํารวมระหว่างอินทรีย์นั่นเองหรือถ้าเรามองไปที่อริยมรรคก็อยู่ในข้อกิตติสิกขาคือสมาวิยมรร สมาบัญญัติข้อแรกนะเขาเรียกว่าสังมรประทานคือเพียรระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจิตใจของตัวเองประการในรูปความเสียงดมกลิ่นรีบนถูกต้องยนร้านออนแข็งนี่ใจเหนียวนึกซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นธรรมชาติแต่ว่าข้อสำคัญว่าทำยังไงอย่าไปถือโดยนิมิตคือรวบถือถือเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคันเป็นหลังเป็นอะไรเนี่ย แล้วกําหนดด้วยความกําหนัดหรือว่าด้วยความขัดเคืองก็ได้มันก็คือกิเลสด้วยกันแต่เรทรงแสดงสองแนวนะฮะคือด้วยความกําหนัดด้วยความขัดเคืองที่เราพูดโดยทั่วไปว่ายินๆๆดียินได้ภาษาเหล่านี้ที่จริงก็สื่อสารไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่คือชอบหรือไม่ชอบพวกแนี่ยเชอบหรือไม่ชอบ ชอบมันก็เกิดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะไม่ชอบก็เกิดกิเลสประเภทโทสะแต่ว่าทั้งหมดมันก็มาจากอาการของโมหะให้เราสังเกตว่าความชอบความชังของเราเนี่ยมันเกิดจากการรวปถือไปเลยทั้งทิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งหลังทั้งรุ่นทั้งคันอะไรก็แต่แล้วแต่จะเรียกอะไรอีกหนึ่งมันชอบเฉพาะส่วนหรือไม่ชอบเฉพาะส่วน เช่นสมมติว่าคนเนี่ยเราอาจจะมองส่วนตรงนั้นก็สวยตรงนั้นก็ไม่สวยอะไรแต่ไหเนี่ยมันก็จะเกิดความเห็นดีเห็นร้ายตามตามจิตที่เรากําหนดคือถ้ากําหนดด้วยความกําหนัดความกําหนัดมันก็เกิดที่รู้จ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานตอนที่เอาชนะกิเลสภายในพระไถยของพระองค์ได้เด็ดขาดเนี่ยก็ทรงพิจารณาเห็นว่าเอจจริงกิเลสเนี่ยมันเกิดมาจากการคิดอ่ะ ทรงประลบตัวนั้นถรงประลบกามว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกล้วอะไเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้ดำริมันไม่มีตะ น, นั้นทรงบรรลุอาศวคายานเขาเรียกว่าปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นจนความรู้สึกมีอารมณ์ หรือราคะหรือโลภะหรือโทสะอะไรก็ตามนะฮะทั้งหมดเรคิดตัวเองเทานายไหนมันใกล้ยๆกันสร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเองนะฮเกิดนึกแล้วก็ก็ขำแต่ว่าทํายากวันทีก็ขำตัวเองแต่วจะแก้ไขไม่คิดอย่างนั้นมันก็แก้ไขได้ยากเดือนเดืองเลยต้องพยายามต่อสู้กันไป เพราะในชั้นเนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ปรับเรื่องศีลสําหรับชาวบ้านแต่ถ้ามาพระแล้วก็ถือเป็นศีลนะเบกาอินเสียสังวรเราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตเนี่ยผู้เหล่านี้เป็นธุรกิจที่ลงทุนมหาศ า, ศาลมากโดยทั่วว่าเป็นรูปก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเนี่ยเป็นสัมผัสก็ดี แล้วก็สิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินจริงๆมันก็มาจากรูปเสียงดินรถโอตภะพระธรรมรมนั่นเองเห็นว่าการคือเป็นธุรกิจเงินไม่รู้จะกี่พันล้า น, น, นทั้งหมดอะให้ลองสังเกตว่าเช่นนั ก, นกร้องเนี่ยมันก็ขายเสียงบางทีก็ขายรูปขายเสียงขายรูป เป็นหลักนะฮะมีรูปกับเสียงเนี่ยเป็นหลักคนบางคนอาจจะมีเสียงไพเราะก็ร้องแต่เสียงคนไม่เคยเห็นรูปก็ติดในเสียงอย่างที่พระพุทธศาสนาจาแนกคนซึ่งให้เกิดศรัทธาเกิดความรักหรือว่าเกิดความโกรธก็ตามนะฮะมันก็อาจจะอาศัยรูปอาจจะอาศัยเสียง อาจจะอาศัยความเรียบง่ายแล้วก็อาจจะอาศัยเขาเรียกว่าธรรมะหรือความรู้หรือความคิดอะไรข้างต้นแล้วเนี่ยเรียกว่ารูปปประมาณิกาถือรูปเป็นประมาณให้ความต้องการแก่กกกกรูปโคสะประมาณิกาถือเสียงเป็นประมาณให้ความตําคัญแก่เสียงธรรมะประมาณิกาให้ความต้องกัรแก่ธรรมะ แล้วก็ลูกเขับประมาณิกาเนี่ยมองที่เรียบง่ายความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสมบูรณ์พร้อมหมดทั้งสามทั้งสี่การเทศนาของพระพุทธเจ้าจึงมีคนมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคุยกับเขาแต่ลู่ประมาว่าเหมือนกับ พระจันทร์ตอนเชี่ยงคืนเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าพระจันทร์อยู่อยู่เนื้อศีรษะตัวเองธรรมเทศนาของพระพุทธองค์จึงได้ผลแต่นั้นตรงเนี้ยทรงแสดงย่อยออกไปโดยสรุปนะฮะว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นิมรอดกายถูกต้องยินนอนันแข็งจิตเนียวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายกระร้าสั่งว่า ไม่ถือนิมิตไม่ถือพยัญชนะคือนิมิตก็คือรวบถือพยัญชนะก็คือแยกแยกอหน่วยเฉพาะหน่วยนะแจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอย่างอะไรล่ะเมื่อก่อนนางเอกพระประยนตร์คนหนึ่งพัชราเนี่ยะตาหยาดน้ํำพึ่งก็แสดงว่ า, าก็ไปนเน้นที่ตาก็เรียกซื้อโดยพยัญชนะบางทีเรียกอนุพยัญชนะบางทีก็เรียกว่าพันยัญชนะ แล้วก็ย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมตัวอินทรีย์คือคือจิตนะฮะก็เรียกมันนินทรีย์คือสํารวมเราอินทรีย์คือจิตเพราโดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยตามันสํารวมในตัวมันเองไม่ได้จิตมันต้องคิดเดียดสํารวมแล้วก็ความสำรวมตาสํารวมหูสํารวมจมูกสารวมลิ้นสํารวมกายมันก็เกิดขึด้น ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุในอกุศลทำมันลาโมกเื่อพิจาละโทมนัสครอบงำนั้นที่ว่ามนินซีชอวาสารวมในมนินซีชื่อวารักษามนินซีชอวาสารวมในมนินซีภิกษุประกอบด้วยอินซีสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในคือสรุปแล้วมันสำรวจที่ใจอย่างเดียวนะ พอ ม, มาถึงจุดหนึ่งก็เห็นก็สักไปว่าเห็นได้ยินก็สักไปว่ายินได้ทราบก็สักไปว่าไราบได้รู้ก็สักไปว่าไปไปรู้กไปไป็จบ ก, ก, กันจากนั้นก็ส่งสอนระดับกรรมฐานทรงแสดงนะฮะไม่ใช่สรงสอนคือตอนนี้ท่านฟังต้องเข้าใจว่าเป็นการเลือกสะท้อนก็แล้วแต่สะท้อนจากจุดใดนะครับกรรมฐานส่วนนี้ก็เป็นกรรมฐานประเภทกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือแสดงว่าก็อยู่ในสัมมาสติ แต่ราเนนเฉพาะสัมปชัญญะปปะะหมายความว่ามีความรู้ตัวมีสติสัญญะความเพียรระลึกรู้นะระลึกรู้ในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคู่ข้าวในการเหยียดออกในการทรงผพาสังฆติบาติวรในการฐานการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะทุกอย่างเนี่ยนะ คือสรล ป, ประการขยับตัวทุกจุดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสติได้ทั้งนั้นและเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จริงๆเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติพูดจะมีสติทํายังมีสติขยับขยืดเคลื่อนไหวยังมีสติจะตักอาหารจะหยิบช่วยอะไรอะไรต่างๆางนี่ทํายังมีสติถามเม่อวันนี้เป็นการบฏิบัติธรรมไหมที่จริ ง, งเป็นงานปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเพียนแต่ว่า สังคมเราบางทีเนี่ยเราไปยึดติดในรูปแบบจนถึงว่าสำนักบางแห่งเนเรียกว่าสำนักปฏิบัติธรรมคือเราเรารู้สึกแล้วมันมันอึดอจจัดใจนะเพราะเป็นอาการของขี้โม้โอ้อวดเป็นอาการโอ้อวดนะฮะที่เขียนว่าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นพวกโอ้อวด เพราะจริงๆแล้วทุกคนปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเป็นกุศลอกุศลเท่านั้นเองนั่นเป็นวิถีชีวิตอะการปฏิบัติธรรมะธรรมะที่พระเจ้าสอนมันเป็นวิถีชีวิตซึ่งถ้าหากว่าคนมีความคิดว่าเออพวกนี้ถ้าดูไปแล้วจะมีปัญหาเช่นเช่นสมมุติว่าเนี่ยเราห้ามเด็กวัยเท่านั้นห้ามดูอย่างนั้นอย่างนั้นห้ามฟังอย่างนั้นห้ามไปในที่นั้นๆเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรม เป็นการเว้นอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปเขตะเรามองให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการดํารงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันอยู่ระดับของศีลสิละศี ตรงนี้มันขึ้นไประดับจิตสิกขาแล้วตรงนี้อยู่ระดับจิตสิกขาก็คือใช้สติสัมปชัญญะความเพียรระลึกรู้เท่าทันต่ออิริยบถ ท, ที่การเคลื่อนไหวการเข้าไปการถอยกลับทุกอริยาบถเพื่อไงวะระลึกรู้อยู่ทุกอริยาบทเพนี้แนวที่โดดเด่นอยู่ในบ้านเมืองเราก็คือแนวยุบหน่อปองหนอนะฮะที่เขาใช้กันมายุบหน่อปองหนอเนี่ย แล้วก็แนวที่สอนกันมากก็คือแนวอะไรแนวที่วัดมาธาต์อะวัดมาธาตแล้วก็แนวของอาจา ร, รย์แนบอะไรเนี่ยนะก็แล้วแต่แล้วแต่บางแห่งเนี่ยท่านจะใช้เช่นว่านั่งยกมือนั่งดูมือที่ยกยกขึ้นเหยียดออกอะไรแต่ไรก็นั่งดูอย่างเดียวก็สรุปว่าฝึกสติฝึกสติให้อยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ทีถ้าไม่ทาอย่างนั้นแล้วใจจะฟุ้ง แะทำอย่างนั้นแล้วใจจะสงบจากอาการของกิเลสประเภทต่างๆทีนี้เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยก็ทรงแสดงว่าภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันอินเสียสังวรสติและส ม, มชัญญาปีเสียสังวรนั้นเขาเรียกว่ากึ่งธรรมกึ่งศีลถ้าเป็นโยมก็เป็นศีลไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นพระนี่ก็เป็นศีลแต่ถ้าเป็นโยมเนี่ยก็เป็นธรรมะ สติสัมปจั ญ, ญาป็นธรรมะปฏิบัติตัว น, นี้ก็เน้นที่สัมปจั ญ, ญ, ญาปะภะเรียกพวกกายานุปสัสนาสติปัฏฐานจนถึงเป็นอันเป็นอริยะคือหมายความว่าดำเนินไปได้ด้วยดีหมดทั้งสามนะคือคนเราถ้าศีลสมบูรณ์มันก็เป็นระดับพระโสดาบันแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่สามัญชนแล้ว ประสีนเอาก็จริงห้าข้อเนี่ยทำให้สมบูรณ์ได้ยากแลแล้วจากนั้นก็บอกว่าย่อม เ, เสดเสยนานสงัดคือป่าคนไม้ที่ไหนก็ตามคือสรุปสงัดพอกลับมาจากบินทบาตคืออยู่ในยบทใดก็ตามนะฮะอันนี้ก็เป็นการลำดับความความคือเล่าเรื่องเรื่องพระวิธีชีวิตของพระที่ แนวนี้เป็นเป็นแนวของพวกเขาเรียกอรัญวาสีนะครับแต่รัญวาสีบางทีก็อาศัยรูปแบบไปคืออยู่ที่ตัวคนมากกว่าคมวาสีหรืออรัญวาสีนี้มันก็อยู่ที่กายวาจาใจของคนตรง น, นั้นมากกว่าก็ไปอยู่ในที่สงัดแล้วก็นั่งคู่บันลังตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านะฮะนี่คือหลัก เป็นการสอนในแนวที่เรานึกถึงภาพว่าสมัยนั้นเนี่ยพระก็อยู่ในป่าวนใหญ่เก้าอี้ก็เ อ, อิมันก็ไม่ไมีอ่ะทีนี้ในปัจจุบันถ้าถามเรานั่งเก้าอี้ห้อยเท้าได้ไหมมันก็ได้เพราะตัวการจริงมันไม่ได้อยู่ที่ที่อิรยิยาบถมันอยู่ที่จิตซึ่งสงบจากนิวรณ์คือต้องจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาหได้ว่าอะไรคือตัวเนื้อหา อะไรคือตัวรูปแบบมันรูปแบบมันไม่จำเป็นเพรา ะ, ะนั้นเวลาท่านท่านิยามท่านยังบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบประงับแผงนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การปวดนั้นเรียกว่าสมถะเพรา ะ, ะนั้นจึงจึงจึงไม่ต้องบีบว่าะจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วในที่สุดมันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะเกิดอาการเครียด เอาเทาที่ทำได้ฝึกให้มีสติมีสัมมัชัญญามีความเพียรตามกำลังความสามารถให้จะทำได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามทีนี้พอพอตั้งใจระลึกไปเนี่ยต้องบอกว่าเธอละความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็คืออภิชาติแหละผู้แงวความยินดี แต่ว่าพิชาเนี่ยมันเข้มนะฮะมันเข้มมันเป็นมโนทุจริตคล้ายๆกลมมองอะไรด้วยความอยากได้มองคนด้วยความอาฆาตมาดร้ายน่ะเขาเรียกว่าโทมนัสคือสมบัติโยมเนี่ยสมรับชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ปรับอาบาัตเพะไม่มีศีลไปปรับแต่ถ้าพระเช่นว่ามองเพศตรงกันขําด้วยจิตกําหนัดเขาเรียกเพ่งเล็งโลภอยากได้ เขปรบาบประบาดทุกกฎนะเหตุที่ต้องอบัตรเพราะอะไรเพราะว่ากายกับจิตกายก็คือตาที่เพ่งดูจิตก็คือคิดด้วยความกําหนัดงนั้นตามปกติแล้วเนี่ยพระจะต้องระมัดระวังสำรวมระวังในเรื่องเหล่านี้โดยทั่วไปท่านก็สอนไม่ให้คุ้นเคยไม่คลุกคลีกับสกุลทั้งหลาย ไปบุ้นวายในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้และพิษุณียิงจริง ๆ, ๆ, ๆเอาใหญ่เลยพิษุนีนั้นจะเคร่งครัดมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าพิษุนีนี่อ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็ถูกประทุษร้ายในเรื่องเพศ่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิกขบทเลยก็บัญญัติไว้เป็นการปกป้องตัวเองของพิษุณีไม่ให้เกิดปัญหาในด้านความประพฤติปฏิบัต จนถึงจุดหนึ่งก็มีใจที่ปราศจากการเพ่งเล็งอยู่หมายความมันก็สงบการมฉันพู้ง่ายวิกิเลตประเภทการมฉันน่ะแล้วก็ทำชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งก่อนนี้ก็หมายความว่าตรงนี้ใช้คำเข้มนะแต่โดยที่ทั่วไปตรงนี้จะใช้คำว่าฉันทะาการมฉันทะ คือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งกี่ตนใคร่แต่ว่าในพวกจุลศีลมหาศีลมหิดมศีลในพวกศีลขันธวั์ในทีคณิกายนะฮะจะใช้คำว่าอภิชาเพ่งเล่งลบจะได้ก็คือกันนั่นนะฮะก็คือการกิเลสประเภทราาักะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็ลาพยาบาทแต่ตรงเนี้ยบางคราวเนี่ยจะส่งอุปมาด้วยอย่าในพวก เวลาส่งแสดงในศีละขันธวรชคือในทีคณิกายนะไม่ใช่แสดงในศีละขันธวัชนะหมายความว่าท่านรวบรวมไว้ในศีลขันธวรชก็จะส่งอุ ป, ปมากามฉันทนิวรกิเลสประเภทโลภะเนี่ยว่าเหมือนคนที่ตกเป็นนี่เป็นศีลบุคคลอื่นบางคาจะอุปมาสภาพจิตว่าเหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีต่างๆ พูดในกรณีที่เราจะมองดูเงาหน้าในสมัยโบราณนะกระจกจังสมัยนี้ก็คงจะมีน้อยนะฮะตามปกติแล้วจะดูเงาหน้ากันในน้ำแต่มาอย่างนึกนึกได้นะสมัยเด็กๆเนี่ยจำได้ว่ามันก็อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเพื่อเราก็เห็นคนดูเงาหน้าตัวเองในในในตุ่ม นะก้มหน้าดูเงาดูเงาดูเงาหน้าตัวเองในตุม่มหรือบางทีก็เป็นพวกทองเหลืองต่างๆองนี้ฮนะต่างเนือต่างต่างก็ขัดได้มีเงาแล้วก็ดูสองดูเงาหน้าตัวเองก็แสดงว่าการใช้แนวนี้ก็คงใช้มานานนะฮะงหายไปเมื่อความเจริญก็แพร่หลายแต่บางคราวก็ยังต้องดูนะฮะเจอน้ำขึ้นมาก็ดูเงาหน้าตัวเองหรือบางทีก็ดูในขันอะไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าน้ามันเจือด้วยสีหลากหลายเนี่ยเงาหน้ามันก็จะไม่ชัดผพราใจที่ประกอบด้วยกิเลสประเภทเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งใจจะขุนใจจะไม่มีเหตุผลนะลองสังเกตดูว่าความรักกิเลสประเภทโลภประเภทราคะนี่มันไม่มีเหตุผลที่จริงกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันเผด็จการอั้งนั้นเลย เพราะนั้นเราดูอารมณ์การปฏิเดจการทั้งหลายเนี่ยนั้ น, ะะนเป็นการของกิเลสแต่เราก็ไม่ได้มองจนบางครั้งบางครามันติดเป็นนิสัยนะถ้าเราสังเกตว่าเยนองค์กรเอกชนเป็นนั้นมากที่เรียกเป็นเนีอเนี่ยนะอะไรนะมันอะไรพว ก, พวกองค์กรเอกชนนะ ก็เขาเขาไม่เคยผิดในหมู่พวกของเขานะฮะใเราสังเกตว่าเขาไม่เคยผิดในหมู่พวกของเขาแล้วเขาก็จับผิดเขาแล้วเบิดสิทธทิคนอื่นเฉยอย่างพวกกรีนพีตอย่างเงี้ยเขาเขาบุกขึ้นไปในบ้านคนขึ้นไปในเรือคนน ะ, ะตรวจคนคนอะไรแต่อะไต่างๆคือเขาถูกอยู่คนเดียว นั่นเราเป็นเห็นว่าเป็นลักษณะของโทสะกับโมหะแล้วก็โลภะด้วยนะฮะเลแสดงความยิ่งใหญ่กันตัวเองประกาศสถานะกันตัวเองกิเลสนี้พูดกับเขายากยนะเพราะฉนั้นพมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาที่ท่านแสดงว่าความรักมันโรคาบันานตายมืดมนไม่ยินและไม่นยนอุปสรรนคะ้นใดๆ ควารักมันโกรธถึกกับังคึกไปขังไว้ก็จะออกจากข้อไปบอยอมอยู่ในที่ขังที่จริงไม่ใช่เฉพาะรักอย่างเดียนะฮะความโลกระเหมือนกันความริษยาก็เหมือนกันความแข่งดีก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความพยาบาทยิงไปใหญ่เลยพูดก็ไม่รู้เรื่องพอได้ยินพันนั่นเองนะฮะโทรศมขึ้นจะหรือพูดไม่ได้เพราะผลต่อจากนั้นก็ทรงแสดงว่า ละความพยาบาทละความมธุสร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทพยาบาทเนี่ยเป็นกิเลสประเภทโทสะแต่มันเก็บขังไว้ภายในใจบางคาทรงอุปมาว่าเหมือนกับน้ำที่ถูกต้มเดือดบางคาก็อุปมาว่าเหมือนกับคนที่เป็นโรค คือจะปวดทุกข์ทรมานด้วยตัวเองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่คิดไม่คิดปยาบาดคือปยาบาดเราสังเกตว่าเวลาจริงๆในท่านเรียกว่าอาคาแต่วัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาคาตจิตมันจะสายวิ่งไปสู่อดีตอนาคตบวนไปหมดก็ น, นึกถึงแบบหมาป่ากับลูกแกะนะ รเราเห็นว่าหมาป่ากับลูกแกะนั้นเป็นอาการของโลภะก็ะแสดงว่ากิเลสประเภทนี้สายด้วยกันสายไปอดีตสายไปอนาคตสายไปปัจจุบันนะคนนี้ได้เคยทําอันตรายแก่เราคนนี้ได้เคยทําอันตรายแก่ญาติพี่น้องของเราคนนี้ได้เคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลรูศัตรูเรา อย่างนเวนี่ที่แนวการสร้างกระแสความยิ่งใหญ่ของรัฐปัตตานีในอดีตนะฮะคนอดีตตายหมดแล้วคือตั้งคนต่างก็พูดเอาพูดอะไรก็ได้แต่เราเห็นว่าถ้าเราย้อนไปอดีตอย่างนั้นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดคือตั้งคนต่างก็อ้างได้แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันถ้าไปสาวอดีตมาให้เป็นเหตุอาฆาตพยาบาทกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ ในขณะเดียวกันอดีตเราก็สาวมาให้เป็นพวกเดียวกันได้นะเราอาจจะย้อนว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันนะสมมุติเร า, า จ, จะย้อนไปให้ไกลตามความเชื่อในศาสนาเทวนิยมบรรพบุรุษมนุษย์บอกว่ามาจากอาดามกับอีฟเราก็เรียกยังไงก็ตามนะเขาเรียกกันหลายชื่อคือ ถ, ถ้าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่ามนุษย์ในโลกนี้มีเผ่าพันธุ์เดียว มาจากเชื่อสายเดียวกันคือถ้าคิดเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนสร้างสารรค์นะได้แต่ อ, าอาดีตมาเป็นบทเรียนในการทำลายล้างกันเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ า, าคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรมันคล้ายๆกับเราสร้างอะไรละครโทรทัศน์ทังภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับพระม่าเนี่ยปัญหาพระม่าก็รู้หรือเปล่า เราสร้างกันมาแล้วมันได้อะไรมันก็กระตุ้นให้เกิดความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ทาให้รู้สึกขุนข้องหมองใจกันก็เลยจะไปแก้แค้นใครอ่ะคนที่สร้างเหตุคนที่ทะเลาะ ก, กันก็ตายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็นามานับหนึ่งในยุคสมัยของเราเพราะ ง, งั้นอดีตเนี่ยเอามาได้ในทางที่เป็นแบบอย่าง เรามาได้ในทางที่สร้างสารรค์แต่ถ้าเอามาเพื่อสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกประอ้างประก้างก็ได้เลยนะเพราะว่าดินแดนตรงนี้ดินแดนแถวแหลมมาเลยูจนถึองอินโดนีเซียเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดภาคใต้นะฮะตลอดถึงมาเลเซียปัจจุบันเนี่ยมาลยูแถบแถบแถบนี้นะ เราเห็นว่าถ้าจะเอาศาสนาเป็นเกณฑ์มันก็ฮินดูมาก่อนแล้วก็เป็นพุทธแล้วก็มาเป็นอิสลามแต่วว น, นี้เขาก็อยู่ปนกันอยู่อ่ะแสดงว่าบรรุลุท์ก็ถานาดจะทะเลาะ ก, กันบ้างแต่ว่าตายหมดแล้วเราก็มานับหนึ่งกันใหม่แต่แถ้าคิดพยาบาทบแต่มันก็เอามาแล้วก็หาเรื่องเกิดหรือ เ, เรื่องทางๆได่เอาก็จริงแล้วก็ เราทะเลาะ ก, กันไปทำไมเพราะว่าเราก็จริงไม่รู้จะแย่งอะไรกันนะเนื่องจากว่าเสร็จแล้วเราก็ตายเราได้มาเราก็ตายเราไม่ได้เราก็ตายเราไม่ได้เราก็ได้อะนะมันก็ได้อยู่แล้วไว้ในความคิดเหล่านี้บางทีก็บอกว่า คนนี้ก <SU ục> ําลังทําอันตรายต่อเรากําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กื่งกูลต่ศัตรูเราเอาพยาบาทอีกละเรื่องบางทีก็ไปคาดหมายไปตั้งเราเองไปคิดตราเองปรุงขึ้นมาเองต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา ก็เกิดอาคาตพยาบาทได้เรา่ม ค, ความคิดในแนวเนี่ยมันมันจะลามปามวันก่อนอ่านความคิดของสวท่านหนึ่งสวกรุงเทพนะฮะแล้วก็ก็เป็นอิสลาเขาก็พูดน่าคิดนะฮะพูดน่าคิดว่ามันาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะฮะเพราะว่า การบริหารราชการแผ่นดินของนายกโดยการนำองนายกคนปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจดีมากผลประโยชน์ที่คนอื่นเ็เคยได้ก็ต้องเสียไปมันเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดจากการยุยงส่งเสริมมาจากข้างนอกก็ก็ยังนึกชมเขานะฮะว่าเออเาก็เป็นนักวิชาการเขาก็มองไม่ใช่ว่าปกป้อง ปกป้องพูกตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าก็มองในแง่ของความมั่นคงของแผ่นดินที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าในขณะเดียวกันมองอย่างนั้นพูดออกไปมันก็อีกแหละก็หลายเรื่องทะเลาะกันอีกดังนั้นหลักการสำคัญเนี่ยอดีตเราจึงใช้เฉพาะเป็นบทเรียนที่สร้างสรรพัฒนาหรือ ง, งดเวน้นมีสองอย่างการถ้าเป็นเรื่องเสียหายเสื่อมเสียก็ ระลึกได้แต่ว่าอย่าทำอย่างนั้นอีกอเรียกว่าลาบจำไม่ทำต่อไปแต่ถ้าอาดีตที่สร้างสรรพัฒนาเกิดประโยชน์ก็เอามาเป็นแบบในการกำหนดทิศทางปัจจุบันเพื่อสร้างสรรสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแล้วรอเก็บเกี่ยวผลในอนาคตก็สรุปว่าเอาข็จริงพวกนี้ก็ไปองความคิดเอีอะแล้วก็จากนั้น ใจก็จะมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่คือพยาบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าพยาบาทเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพวกโทสะนะนะแต่ถ้าเราเรียงแบบพรหมหาเนี่ยก็พยาบาทก็คือถูกกระจัดไปด้วยเมตตาแต่ว่าตอนนี้ทรงแสดงทั้งการุณา หมายความว่ามองคนอื่นที่กําลังประสบความทุกข์เด่นด้วยกรุณาแสดงว่าพัฒนาการจิตสูงนะฮะกอขึ้นมาสูงแล้วก็หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่เอาทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะนั้นคือจิตที่ที่ไม่มีพยาบาทมีความการุณาแล้วนี่จะไปง่ายเพราะว่าไม่พยาบาทก็อภยาบาทก็คือเมตตา กรุณาจะทำหน้าที่ขจัดวิหิงสาอายาบาทก็คือจักขจัดพยาบาทออกไปก็แสดงว่าใจไม่มีพยาบาทไม่มีความคิดเบียดเบียนก็หวังประโยชน์เกื้อกูลแกสัตว์ทั้งหลายแกสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ตรมนีนว่าแกสัตว์ทั้งปวงหรือทั้งหลายหรือทั้งสิ้นเนี่ยมันความคิดจีเป็นอุดมการณ์นะครับ แต่ตามปกติแล้วภาคสนามนี่เราก็ทำไม่ได้ท่านๆได้มีเรื่องเยอะน่าทำนะเรเห็นพวกอะไรชีวิตที่ช่องสามกับช่องช่องเจ็ดเขาเอามาออกบ่อยๆทุกคืนเนี่ยนะยดูชีวิตคนที่เดือดร้อนที่มีปัญหาต่างๆนี่ยั้นตแล้วก็ควรในการช่วยทั้งนั้นแต่ปัญหาว่าจะช่วยยังไง อยังนึกว่าก็คงจะเรียกร้องความเอ็นรูสงสารจากคน่ะที่หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายแล้วก็ย่อมชำระ จ, จิตรบริสุทธิ์จากความประทุสร้ายคือพยาบาทได้ก็หมายความว่าจิตกรุณามันเป็นจิตเป็นจิตที่พิเศษแล้วตัวขจัดตัววิหิงสารนะฮะขจัดพวกโสกะได้ด้วยพยาบาทก็หมดไปตั้งนานแล้ว ก็แสดงให้เห็นั้งการเกิดของกุศลในกุศลี่หนึ่งเกิดกุศลยี่หนึ่งเกิดกุศล่หนึ่งเกิดอกุศลอีกตรงนั้นข้ามก็จะดับรับดับดับไปเรื่อยๆจากนั้นก็จงแสดงว่าราธีนมิทะเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปจนยะคือทีนมิถะนี่ม่วงเหงาหาหนอนนะเึื่องซึมหงอยเหงาหดหดูเคล่เครื่อจุดชื้ อ, ช, อช้าเย็นเหนื่อยหน่ายอะไรคือบางครั้งทรงอุ ป, ปมาสภาพจิตว่าเหมือนกับน้ำที่มันเจือด้วยจอกแหน่ต่างๆหรือว่าเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพระลักษณะจิตที่ เป็นอาการมถธนนาวิทาเนี่ยง่วงเหงาหนอนซึ่งสื่งงยเหงาอะไรเนี่ยเราสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองเอถูกกิเลสบังคับผลักใสเสืกใสให้สายไปตามแรงของความง่วงนะฮะไม่เอาอะไรเราอ่านหนังสือยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องพูดถึงฟังเทศฟังธรรมอะไรหรือขับรถอะไรขับรถจริงตาใหญ่เลยกิเลสประเภทเนี้คือแต่ละอย่างเนี่ย แต่และข้อนะฮะไม่ใช่ทุกข้อคือทำให้นคนบ้าได้แล้วก็ให้เกิดเป็นสึกล้างผลาญกันได้เลยครับท่านก็เอามาเกาะกลุ่มเอาไว้ในกลุ่มของชีนะมิทัศนะครับเป็นอาการง่วงเหงาห้านอนซึ่งซึมนอนเหงาหดถูมันจิตมันเขาเรียกว่าลีนจิตตาคือจิตมันหดถูมันขาดความกระตือรือร้อนขาดความเพียพรพยายาม เพราะในที่นี้ก็ส่งแสดงว่าเพ่งแสงสว่างหมายความว่าแม้จะไม่สว่างแต่คิดเอาอว่าสว่างถ้าสว่างก็เพ่งที่สว่างธรรมะที่ใช้ก็คือมีสติมีสัมจัญญะอยู่แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ย่อมชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากทินมิธาได้นะ คำว่าบริสุทธิ์ในระดับนี้เป็นการบริสุทธิ์ระดับก็เรีกว่าระดับฌานนะฮะระดับสมาธิเพราะว่าฌจะทรงแสดงระดับขั้นล่างอีกทีหนึ่งทรงแสดงไปที่ฌานแล้วแต่ไปที่ญาณนะฮะคือฌานแล้วก็ญาณอย่างนี้เป็นการพูดว่าบริสุทธิ์ระดับทั่วคราวบริสุทธิ์จากสมาด้วยด้วยพลังของสมาธิคือหมายความมาตราบใดที่จิตยังมีสมาธิอยู่เนี่ยพวกนิวรณ มันก็เกิดขึ้นครอบงาไม่ได้แต่พวกนี้ละได้ขาดไม่ใช่ง่ายนะฮะคือบางข้อเนี่ยมือระดับพระอาหานนั่นละได้แต่สรุปว่าทั้งหมดถ้าเอาขาดแล้วเนี่ยเป็นพระย บ, บุคคลนั้นได้ตามังชนละไม่ได้ถ้าข้อไง่ายขาดเพียงแต่ว่าเราก็ลดความเข้มข้นนะฮะลดความรุนแรงลงไปลดความเข้มข้นลงไปแล้วก็ ่อไปก็ละอุทัจากกุกุจจะอุทัจจักแปลว่าความฟุ้งซ่านเป็นอาการของโมหะคือจิตที่มันสายไปไม่นิ่งโดยธรรมชาติของจิตมันไม่นิ่งอยู่แล้วแล้วก็สายไปแล้วก็ถึงกุกุกุจจะ ก, ก็รำคาญก็กลายเป็นกิเลสประเภทโทสะตกลงว่าเป็นทั้งโมหะเป็นทั้งโทสะทรงอุปมาบางคราวเนี่ยทรงอุปมาว่าเหมือนกับ น้ำที่เป็นโครนน้ำขุนจิตที่เป็นอย่างนี้เหมือนกับ น, น้ำขุนหรือเหมือนกับคนที่ติดคุกติดตารางก็ไม่มีสระเหมือนกันแ่ทำนองเดียวกับพวกถีนามิธาโดยเว่าีถีนามิธากับอุทธธจจะเนี่ยคนรีดับะพระอาหารหันตะ์ละได้คนทั่วไปละไม่ได้บรรเทาสงบระงับไม่ได้ แต่จะ拉ใหขาดไปเลยเนี่ยละขาดไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีความฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในจากนั้นก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุจกจะแต่อย่างที่บอกนะว่าเป็นการสงบเป็นการสยบได้ทั้งไปแต่ชั้นเนี้ยถือว่าเป็นการสงบเป็นการสยบแล้วก็ละมิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามิจิกิจฉาไม่มีความเครือบแคลง ในกุศลละธรรมทั้งหลายอยู่แต่ตามปกติแล้ววิจิกิจฉาเนี่ยเขาจะกระจายเป็นแปดนะฮะคือเครือบแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาในอดีตในอนาคตทั้งอดีตและอนาคตและในกฎของปัิยการอ่านะคล้ายๆกับพวกอวิชชาเพราะว่าวิจิกิจฐาที่จริงเป็นอาการของอวิชาก็เป็นผู้โมหะนะฮะเป็นกิเลสประเภทโมห oh ะ บางครั้งสรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับน้าที่ที่เป็นตมเลยนะไม่ใช่คุณเฉยแต่เป็นตมเลยแล้วเราก็เดินลุยไปในตุ่มลองเึอกดูเดินเดินเดินลุยไปในน้าที่เป็นคโคลนตรมเนี่ยมันเดินยากบางครั้งสรงอุปมาเหมือนกับหนทางที่ธุระ ก, กันดารจะผ่านไปได้ยากเพราะลักษณะของความครุกเคลือแครงสงสัยเนี่ยมันก้อให้เกิดอาการชะ ง, งั ก, กนะครับ ให้เราสังเกตว่าเช่นนนักศึกษาต้องการจะตอบคำถามที่มีตัวเลือกสี่ตัวเนี่ยฮะแล้วพอเกิดสงสัยก็ชะ ง, งักก็ตอบไม่ได้ขีดไม่ถูกแต่แม้จะเจอทางแพร่งทางสองแพร่งเนี่ยไปซ้ายไปขวาถ้ายังสงสัยแล้วก็ไปไม่ได้ดังนั้นท่านจึงอุปมาว่ามันเหมือนกับทางดุรั ก, กันดานพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็ชำระวิจิตรา เป็นชำระด้วยพลังสมาธินะฮะไม่ใช่ว่าชำระอย่างสมบูรณ์เพราะว่าเวลาสมบูรณ์เนี่ยไปโน้นสงทรงแสดงไปเรื่อยจนถึงอาสวะกายานท้าฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรถุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี